ถ้ามีสติรู้ตัวสภาวะมีปัญญารู้ลักษณะความเป็นไตร ล, ลักษณ์ของกายของใจเนี่ยฝึกอย่างนี้มากๆนะวันหนึ่งอริยามรรคจะเกิดขึ้นเองหน้าที่ของเราก็คือค่อยๆพัฒนาสติค่อยๆพัฒนาปัญญาขึ้นมาส่วนเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าดูท้องฟองยุบหรือหายใจหรืออะไรเคยทาอย่างไรก็ทาได้นะถ้ามีสติถ้ามีปัญญา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 สติเป็นความระลึกได้ลืมซะนะลืมซะคำสอนทั้งทั้งหลายที่ว่าสติคือการกําหนดนะสติไม่ได้แปลว่ากาหนดสติแปลว่าความระลึกได้นะอย่าไปแปลผิดนะบางทีเราใช้ภาษาไทยเราใช้เพลินอย่างเราบอกว่าทุกให้กําหนดรู้อะไรเนี่ยเราพูดเราเองในภาษาบาลีถ้าใช้คำว่าทุกขังอริยสัจจังปรินเยยยังหมายถึงทุกขสัจนะเป็นของควรรู้รอบ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 เงี้สติเป็นความระลึกได้สติเกิดจากการที่จิตจาสภาวะได้แม่นเพราะฉะนั้นเราต้องหัดดูสภาวะบ่อยๆอย่างเราจะจำใครสักคนหนึ่งได้แม่นเราต้องเห็นหน้าคนนั้นบ่อยๆถ้านานๆานเห็นทีหนึ่งก็จำไม่แม่นเมื่อเราอยากให้สติเกิดไวๆเราก็ต้องหัดรู้สภาวะบ่อยๆวิธีหัดรู้สภาวะก็คือให้ตามรู้กายให้ตามรู้เวทนาให้ตามรู้จิตให้ตามรู้ธรรมหลวงพ่อใช้คาว่าตามรู้นะ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 อย่างนี้สติจะไม่เกิดละกิเลสมันครอบงาําซะก่อนละนะแต่ถ้าเราเดินไปโดยที่ไม่ได้เจตนาเนี่ยก้าวเท้าไปนะเกิดระลึกขึ้นได้เห็นรูปมันเดินอยู่เนะี่ยสติมันะระลึกขึ้นเองหรือใจลอยอยู่นะั้เราเดินเดินอยู่ใจลอยอยู่เกิดระลึกขึ้นได้ว่าใจลอยไปเนี่ยสติมันเกิดขึ้นมาเองนะสติที่เกิดเองเนี่ยถึงจะใช้ไดนะ้สติที่ไปกําหนดให้เกิดไม่ใช่ของจริงนะลงกําหนดเมื่อไหร่ก็คือโลภะมันแทรกละ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 เดินจงกลมยกเท้ายั่งเท้าจิตแนบอยู่ที่เท้าไม่หนีไปไหนเลยได้สมถะนะเพราะอะไรเพราะการเพ่งตัวอารมณ์เนี่ยเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์คือการทําสมะถะกรรมฐานนะส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้นเห็นลักษณะของอารมณ์เห็นไตรลักษณนะ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ด้วยปัญญาเนี่ยไม่เรียกว่าวิปัสสนาะนี่ปัญญาเกิดจากอะไรนะ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 ถ้านั่งรถกับป่องเองนี้ไม่ใช่ชั้นละนะมันกระจอกไปเนะี่ยเวลาจะคุยกับคนนี้ต้องวางมาสนะ์ตเนี่ยชั้นต้องเป็นอย่างนี้แหละฉันต้องเท่ๆนะชั้นเวลาคุยกับคนนี้ต้องทําเสียงหลอ่ออะไรเงี้ยนะจะดัดแปลงปลอมแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในกายวาจาใจของตัวเองนะเพื่อเสริมอัตตาตัวตนเพื่อหลอกตัวเองว่าว่าอัตตามีจริงๆตัวตนมีจริงๆนะนี่พวกเราจเจริญสติมากเข้ามากเข้านะเราวันนึงเราจะเห็นว่าตัวตนไม่มีหรอก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 บางคนนั่งฟังฟังอยู่ในนี้แหละปิ้งขึ้นมาก็มีนะอืมีพอหลวงพ่อหยุดพูดสังเกตไหมจิตทําอะไรบ้างจิตนี้ไปคิดเห็นไหมส่วนใหญ่จิตจะหนีไปคิดลงไปคิดให้รู้สึกนะหลงไปคิดแล้วก็รู้สึกเอารู้สึกเอายิ่จริงแล้วไม่มีอะไรมากหรอกนะง่ายครูบาอาจารย์แต่ลงลสอนนิดเดียวยิ่งแก่ยิ่งสอนสั้นหลวงพ่อสั้นลงเรื่อยๆแล้วรู้สึกไหม <laughs>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 ใครจะคุยวันนี้ทีมงานเตรียมพร้อมครับก่อนทีมงานเตรียมตัวไม่ทันคือกาบก่อนหลวงพอ่อเทศไปสักสิบนาทีใช่หไหมมีคนจิตว่างวาบขึ้นมาว่าบวาบขึ้นมาเลยนะว่าความว่างมากระทบใจหลวงพอ่อเขาธรรมะก็หายไปหมดเลยนะงั้นถ้าไปฟังซีดีคราวก่อนนะจนะสังเกตหลวงพอ่อเทศนิดเดียวนะก็เลิกแล้วหยุดแล้วเพราะธรรมะหายไปหมดละ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 นี่บางทีใจเราสงบไปแล้วมันไม่ยอมดูกายดูใจก็มีถ้ามันสงบแล้วมันไม่ยอมรู้กายรู้ใจเนี่ยให้ช่วยมันคิดนะให้คิดที่จะรณาร่างกายลงไปคิดทวนอยู่ในนี้แหละผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะ้าไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกายเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้จิตมันเดินปัญญานะนั้นแม่ชีอย่าไปตรึงความรู้สึกให้นิ่งๆอยู่ตอนนี้ไปติดความรู้สึกที่นิ่งๆไว้นะ oh. อย่าไปกดมัน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 กับมาสักการหลวงพ่อค่ะครั้งนี้เป็นครั้งครั้งแรกค่ะพูดดังๆหน่อยนะหลวงพ่อแก่แล้วผูไม่ค่อยได้ยินแล้วถามครั้งแรกค่ะเคยมาที่สารานงชินแล้วก็ฟังซีดีค่ะก็จากนั้นก็ดูกายดูจิตตามไปไเรื่อยๆจนมาวันหนึ่งอะค่ะเข้าคือทำกิจวัตรประจำวันตามปกติคือแล้วก็รู้สึกแวบเดียวเลยค่ะว่ากายเนี่ยไม่มี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 ไม่รู้จะอยากได้อะไรไปเพื่ออะไรแล้วเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างบางคนจะรู้สึกโงงๆจับอะไรไม่ถูกนะต่ะว่ากลัวก็ไม่เชิงจะว่าเบื่อก็ไม่ใช่นะใจมันเวื้องวางหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้รู้สึกวังเวงใจอะไรเงี้ย เ, เมื่อสภาวะใดๆเกิดขึ้นให้รู้ทันลงไปอีกสภาวะนั้นก็จะดับอย่างเรากลัวขึ้นมาเราอยู่ๆบางคนยกมือขึ้นมาจะหวีผมเมื่อวานหรือวันสุ่ยก็มีคนเล่า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 เพิ่งจะคายออกจากเพง่งคราวนี้หนูก็ไปดูต่อแต่ว่าหนูไม่แน่ว่าตอนนี้หนูกลับไปเพ่งอีกตรงใจปฏิบัติเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนภาวนาไปแล้วมันไม่มีความสุขละค่ะคือตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้กลับไปเพ่งหรอกนะแต่มันเริ่มเห็นความจริงในกายในใจนี่ละ ว, ว่ามันมีแต่ทุกข์นะไม่ใช่ภาวนาแล้วมีความสุขแต่ภาวนาจนมันเห็นความจริงว่ามันมีแต่ทุกข์นะทาต่อไปอีกอยังไม่พอ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 เอาละสมมติหิวน้ำแล้ว <laughs> ไม่มีนะพระอราหาันพิการปานนั้นนะ <laughs> ดูอย่างพระสารีบุตรใช่ไหมจะข้ามท้องล่อง <laughs> นี่เห็นท้องล่องพระโดดข้ามเฉยเลย <laughs> ไม่ไายืนพิจารณาอยู่สามวันแล้วก็ไปหยิบไม้มาพาดนะ <laughs> อย่าไปฝึกตัวเองให้ผิดธรรมดา <laughs> เราต้องการเรียนให้เห็นว่าธรรมดาของเราเป็นยังไงธรรมดาของกายเป็นยังไงธรรมดาของจิตเป็นยังไง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 แต่ถ้าเราเพ่งนิ่งๆไม่หลงไปไหนเลยแต่นิ่งซึมกระทืออยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีไตรลักษ์ให้ดูเงี่นดีขึ้นนะคะต้องมีอะไรแก้ไขอีก่ไหมคะหลวงพ่อไม่ไม่ต้องแก้นะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ใจมันยังบอบช้ามาจากการที่ถูกกดมานานอยู่รู้สึกไหมแต่ก่อนกดอ ย, ยู<ๆ>่เรื่อยๆไม่รู้สึกว่าบอบช้านะพอเลิกกดเราถึงรู้ว่าช้ำไในไปหาใบบัวโบกกินนะไปมันบอบช้าอยู่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 ทีนี้ก็ได้มีฟังประโยงหนึ่งของหลวงพ่อบอกว่าอย่าทิ้งสมถะนะหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าวิตกจริตให้ดูจิตนะไม่ใช่หรอกค่ะวิตตกจริตนะมีราคาจริตโทสะจริตโมหจริตใช่ไหมวิตกจริตพุทธที่จริตศรัทธาจริตหกจริตเนี่ยเอาไว้เลือกอารมณ์ทําสมถะส่วนอารมณ์ทํำจริตสําหรับการทํามิปัสนามีสองจริตอย่างคือตัณหาจริตกับทิิจริต พวกรักสุกรักสบายรักสวยรักงามกับพวกชอบคิดส น, นุกกับการคิดเนะี่ของคุณไม่ใช่สนกุกกับการคิดของคุณคิดแล้วกลุ่มใจใช่นะค่ะคิดแล้วกลุ้มใจเพราะฉะนั้นของคุณเนี่ยนะ<ช>ค่ะคอยรู้สึกหายใจไว้นะหายใจไปเรื่อยๆหายใจแล้วก็ดูจิตหายใจแล้วพอจิตหนีไปคิดแวบ ร, รู้ทันว่าจิตหนีไปมารู้เราอีกหนีไปอีกแวบรู้ทันอีกหายใจแล้วจิตไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่ลมก็รู้ทันจิตอีกนะไปหายใจแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะค่ะอืม อาคนต่อไปกลับน้ำมาสการเจ้าค่ะลูกมาขอถวายการบ้านให้พระอาจารย์ช่วยตรวจเจ้าค่ะงอถวายง่ายเห็นกิเลสบ่อยไหมวันหนึ่งวันหนึ่งทราบว่าเผอบ่อยเจ้าค่ะแล้วก็เผล่ยาวด้วยเจ้าค่ะเนาะบ่อยกับยาวมันไม่เกิดร่วมกันนะค่ะอย่างวันนี้เผลอยาวยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยไม่บ่อยเลยมีครั้งเดียวเอาสอย่างเผล่บ่อยหรือเผล่นาน เอางี้ให้มันเผลอบ่อยๆได้ขั้นแรกนะหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอันหนึ่งก่อนท่องพุโทโธไว้ก็ได้นะพุโทโธพุโทโธไปแล้วก็คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆมันจะช่วยให้จิตใจเนี่ยจำสภาวะได้เร็วขึ้นนะถ้าเราอยู่ๆเราจะดูไปเรื่อยๆบางทีก็หลงนานะงนะั้นมีรูปแบบกรรมฐานสักอันหนึ่งหัดพุดโทโธไปก็ได้พุโทโธพุโทโธไปนะ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 ไม่มีอะไรมากกว่าการมีสติรู้กายรู้ใจนะเป็นปัจจุบันรู้แค่นั้นไหนไหนไปไหนละค่ะเพิ่งมาครั้งแรกค่ะเดี๋ยวใครแน่ไงมีสองคนค่ะค่ะเพิ่งมาครั้งแรกค่ะเราก็มาต่างจังหวัดก็ฝึกฝึกอยู่อ่ะค่ะแต่ก็โกรธบ่อยกับเผือบ่อยอะค่ะโกรธบ่อยดี โกรธมันดูง่ายใชเวลาโกรธแล้วมีความสุขหรือมีความทุกข์ทุกค่ะแล้วเวลาโกรธขึ้นมาดูใจของเรานะอย่าไปดูคนที่ทําให้เราโกรธเวลาโกรธเนี่ยให้ดูใจของเรามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ดูไปอย่างนี้นะอันนี้เรื่องเฉพาะตัวนะสําหรับบางคนโกรธขึ้นมาก็รู้ว่าโกรธพนะอบคุณโกรธขึ้นมานะใจมันมีความทุกข์ขึ้นมาให้รู้ลงไปนะแล้วงไงอีกแล้วก็เผลอบ่อยอะค่ะเผลอที่ช่วยไม่ได้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 สภาวะอะไรเกิดขึ้นก็รู้อันนั้นแหละไม่ใช่ว่าเราควรรู้สภาวะอะไรนะมีสภาวะอะไรกาลังปรากฏอยู่เด่นชัดขึ้นมาสติก็ะระลึกเองอย่างตอนนี้รู้สึกไหมใจแอบิดคิดใจหนีไปคิดแล้วก็ทำใจให้อ่อนๆลงไปด้วยคิดแล้วก็ทำนุ่มๆเนื้รู้สึกไหมไม่คิดธรรมดาคิดแล้วกแกล้งทำให้อ่อนๆลงไปให้เรารู้ทันตัวเองลงไปขอบคุณค่ะใจลอยไปแล้วรู้สึกไหม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 เงีย้ยใจมันจะตื่นขึ้นมาเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่จงใจไปรู้อย่างนี้นะรู้จงใจรู้จะทื่อๆนะ <c oughs> รู้เล่นๆไปรู้โปลง่ปลงๆขอบคุณค่ะค่ะกรรมน้ำสกายนะหลวงพ่อค่ะค่ะทราว่าตัวเองเป็นคนมีโทสะจริตนะคะก็คือจะเป็นคนที่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 ตบมืออย่างเงี้ยหรือวิธีตีขาเงี้ยเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้จดจำได้โอ้โมันไม่จำหรอกนะบางคนนะอย่าว่าต่ตบมือเลยบางคนเป็นเขกหัวตัวเองป๊อก๊อกเนี่ยเนี่ยเจ้านี่แหละหลวงพ่อยังเตือนนะหัดทีแรกเฮ้ยทำกรรมฐานเขกหัวป๊อก๊อกบอกเจริญสติบ่าใครเข้ามาเห็นนะเขาไม่นับถือศาสนาพุทธละกว่าจะบรรลุปัญญาอ่อนก่อนอย่าไปบังคับมัน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 ทีหลังอย่าไปกดมันนะเอออย่าไปค่อยตัวจริงหน่อยอย่างเมื่อกี้บอกว่าตัวจริงหลวงพ่อไม่เชื่อ <c oughs> เลยค <c> โ <oughs> <c oughs> ยมมีคําถามว่าเวลาปฏิบัติในรูปแบบนะคะเออพอจิตสงบแล้วจะเห็นมันจะเห็นแวบว่าเห็นกายนั่งอยู่อะฮะถูกแล้วนี่นั่งไหนอีกแล้วก็ก็เห็นจิต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 จิตมักจะฟุ้งสัน้นดูเจริญสติในชีวิตประจำวันในช่วงหนึ่ง น, นก็จะหลงหลงไปหลงยาวการทำในรูปแบบจะทำให้เราหลงสันง้นหลงนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณอาใช้ได้นะวันนี้หาใช้ได้คุณผู้ชายนี่ใช้ได้นะที่ตาแดงแดงง่ว ง, ง, วงอะ่นะใช้ได้นะภาวนาทีละยึดใช้ได้การนมัสการหลวงพ่อค่ะคือว่าอยากจะ อถามหลวงพ่อว่าอทย์ปฏิบัติมานี้เนี่ยสองปีแล้วแต่ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยอะค่ะเห็นกิเลสไหมเห็นกิเลสเห็นค่ะเออแต่เดิมไม่เห็นตอนนี้เห็นนี่แหละคืบหน้านะเอาละฮะแต่เดิมหลงยาวตอนนี้หลงสั้นลงรู้สึกไหมใช่ใช่ฮะนั่นแหละคืบหน้าอ๋ออแล้วอยากถามหลวงพ่อว่ามีบางช่วงเนี่ยที่เรากําลังมีความโกรธกรธจัดเนี่ยคือว่าใจเราจะเต้นแรงมากคือโกรธ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 กิเลสจะไม่ทันโตหรอกตัวเล็กๆก็ขาดไปก่อนอ๋อค่ะแล้วเมื่อเมื่อเมื่อก่อนนี่นะคะที่ไปปฏิบัติใหม่ๆอ่ะตัวรู้สึกตัวเองเนี่ยปวดหัวมากเครียดจัด เ, เพราะว่าไปเพ่งไงฮ ะ, ะพอมาอฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติตามก็รู้สึกดีขึ้นอืมฮะดีสิ <c oughs> คนที่ฝึกกับหลวงพ่อนะโอกาสจะไปอยู่ศีทัญญราบ้านสมเด็จนี่น้อยมากนะ <c oughs> ยังไม่เคยมีเลย เ, เพราะกรรมฐานที่แท้จริงเนี่ยฝึกแล้วจะไม่เครียด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 ค่ะอ๋อขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะแล้วเชื่อหลวงพ่อไหมไอ้คนในกลุ่มที่ไปร่วมกันนินทาคนอื่นน่ะพอเราคล้อยหลังก็นินทาเราเหมือนกันใช่นใช่ค่ะเ <c oughs> จอบ่อยมากม <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ธรรมชาติคนชอบนินทานะแตอนนี้แม้ร่วมมือกันเมาสนินทาคนอื่นนะพอคนหนึ่งมันคล้อยหลังก็ค้นินทาไอ้คนที่หนีไป ต, <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้พยายามค่ะฟังเฉยๆเราจะบอกเขาว่าบางทีเขามาถามเราก็บอกว่าไม่ขอออกความเห็นนะคะ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 ถ้าคิดจะทําเมื่อไหร่ในศิลธรรตาปรามาทั้งนั้นเลยในความเป็นจริงสิ่งที่ไม่ใช่ศิลธรรตาปรามาทนะคือการมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเท่านั้นเกินจากนี้แหละศีลธรรมปรามาทละครับถืออุโบสถถามว่าถือเพื่ออะไรคือถือไว้ว่าเป็นปัจจัยคือในกรณีที่เราคืออย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราก็ออกจากกามเอคือหมายถึงว่าเราก็คือฝึกเหมือนว่าสร้างเหตุเอาไว้ เพื่อคือเหมือนว่าเมื่อไหร่ได้ผลก็เมื่อนั้นได้ผลก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแต่ว่าโอเคเราเราปีจากการฝึกไว้ น, นะแต่ว่าจะถือศีลแล้วให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องมีสตินะส่วนใจเราไหลไปทางการเราก็รู้ทันนะหรือเราถือศีลมานานไม่มีความดั่งพร้อยเลยเราภูมิใจภูมิใจว่าเราดนะีคนอื่นสู้เราไม่ได้เราก็รู้ทันนะถือศีลแล้วเราก็มีสติคอยรู้ทันจิตใจตัวเอง เ, องเนือง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 ถึงจะเป็นชาวพุทธนะชาวพุทธเราจะอยู่มีชีวิตอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาไม่ได้ด้วยความงมงายใดๆเลยนะดีแล้วคุณใจของคุณถือศีลไว้ใจก็ปลอดโปร่งรู้สึกไหมใจเราปลอดโปร่งเรารู้ว่าปลอดโปร่งนะถือศีลดีนะเคยมีพระองค์หนึ่งบรรลุพระอราหันต์เพราะถือศีล น, นี่แหลนะสมัยพุทธกาลนะท่านภาวนาแล้วก็จเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมนะภาวนาไม่ได้วันหนึ่งท่านไปเชิดคอตาย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 น, น, น่าจะน้อยลงครน่าจะน้อยลงถูกแล้วน้อยลงแล้วไงอีกน้อยลงแล้วสบายขึ้นไหมก็ดีครับแล้วเห็นไหมว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนครับเออถ้าไปบังคับไว้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะทื่อๆอยู่งั้นแหละเลขนะ ก, กรรมฐานแบบหินทับหญ้าทับไม้เฉยๆนะแต่พอเราไม่ทับนะเดี๋ยวมันก็งอกเดี๋ยวมันก็งอกนะค่อยรู้ไปเรื่อยๆดีล้ภาวนาใช้ได้ต่อไปคอยรู้กายรู้ใจเนืองๆนะ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 แต่ลูกไม่ได้ติดสมถะใช่ไหมคะก็คล้ายๆอย่าไปเพ่งนะอย่าไปเพ่งอย่างนี้ต้องเพิ่มสมาธิอีกไหมคะไม่เพิ่มไม่เพิ่มนะเพิ่มความรู้สึกตัวเรื่อยๆอย่าไปกดใจให้นิ่งจะไปเพิ่มสมาธิยิ่งกดเก่งเข้าไปอีก<ต>ให้ใจใจสบายๆ ย, ยิ้มไว้เรื่อยๆยิ้มไว้ยิ้มไปอย่างมีความสุขมีความผ่อนคลายรู้ตัวไปอย่างผ่อนคลาย กลับขอบพระคุณเจ้าค่ะเนี่ยดูสิยัง ง, งงงอยู่เลยนั่งขอบคุณด้วยงงก็รู้นะสับสนรู้สึกไหมสับสนให้รู้ว่าสับสนนะหัดรู้สึกไปเรื่อยๆตอนนี้หนีไปคิดทราบไหมใจหหนีไปคิดก็รู้ว่ามันหนีไปคิดแล้วนะเนี่ยเนี่ยไปทำใจให้นิ่งๆแล้วทราบไหมตรงนี้แหละที่ว่าติดสมถะไปทำใจให้นิ่งน้อมไปให้มันนิ่งๆไม่น้อมนะอย่าไปน้อม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 เห็นไหมพอให้มันสนแล้วมีความสุขรู้สึกไหมจำไม่น้าปล่อยให้มันสนไปแล้วตามดูไปเจ้าค่ะเอดีใจละเมื่อกี้เลิกไม่ได้นะเลิกแล้วเครียดกลับบ้านหรือที่เครียดตั้งอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะไปถึงไหนแล้วกราบนมรการค่ะคือเวลาที่ปฏิบัติอะค่ะบางครั้งฟังซีดีหลวงพ่อหรือว่าพอรู้สึกว่าหันมาดูจิตแล้วจะรู้สึกตัวเอง โยกอยู่เสมอเสมอไม่ทราบว่าไปเพราะไปเพลงหรือว่าติดอะไรอะค่ะไปทําอะไรเสมอนะคือพอพ อ, พอมีความนิ่งพอรู้สึกว่าเออตัวเองนิ่งแล้วก็มีมีสติก็จะรู้สึกตัวเองจะโยกอยู่เสม อ, อเสมอคะ่ะไม่ทราบว่าติดอะไรอะค่ะเขาเรื่องอาการของสมาธินะตอนหลับติด<อ>สมาธิหรือเปล่าคะจิตมันน้อมไปหาปีติเนะี่ยเป็นเรื่องของสาาแต่ไม่ได้เป็นทุกครั้งอะคะอ่ะแสะดงว่าจิตไม่ได้รวมเข้าไปตรงนั้นทุกที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 ตั้งใ จ, ใจ ม, ามากไปจิต<ช>มันสงบลงมานะพอสงบแล้วมันเลยโยกๆยกแต่ถึงมันโยกก็ไม่เป็นไรโยกก็รู้ว่าโยกแต่อย่าไปช่วยเป็นโยกแล้วตอนนี้ต้องแก้ไขอะไรบ้างอะคะเครื่อนไหวนะแล้วก็ใช้เจริญสติในชีวิตประจําวันให้เยอะๆนะส่วนความสงบก็ไม่จริงหรอกนะเคยฝึกทําความสงบมาแล้วจิตถึงเป็นอย่างนี้นมัสการท่านอาารเจร้าค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้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 <nunca> แล้วยมรู ick, rica, country, ้ส anyway, ึกไหมความรู <ata> ้ส like, ึกส um, nice. ุขความรู <differences> ้ส um ึกทุกข์ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เจ้าค่ะยมรู้สึกไหมกิเลสทั้งหลายก็ไม่ใช่เราเห็นอยู่ว่าเป็นของนอกไม่ใช่ของนอกเห็นไหมยอมภาวนาเป็นแล้วนะเพราะฉนั้นยมดูไปทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ผ่านมาผ่านไปล้วนแต่ของถูกรู้ถูกดูไม่มีเราสักอันเดียวเจ้าค่ะอย่าไปเพ่งตัวผู้รู้ด้วยเจ้าค่ะไม่เพ่งก็ก็ในสภาพทั่วไปก็มีความรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็ได้อาศัย ดีของท่านอาจารย์การหนังสือเป็นแนวทางดี<ช>นะาภาวนาไปนะอนุโมทน า, ายากะนะที่คนที่ติดสมาธิแล้วหลุดออกมาจนเห็นขันหกระจายตัวออกไปแต่ละขันแต่ละขันเห็นแต่ละขันไม่ใช่เราด้วยเห็นแต่ละขันทํางานของมันไปไม่มีเราเจ้าคะแล้วก็บางครั้งก็จะนั่งก็ออกจะติดไปทางสมาธินิดนึงแต่ก็ไม่นานเจ้าค ะ, ะจะมองเห็นตัวเองว่าเอ๊ะทาไมมันเล็กลง วูบไปแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อมันเล็กก็ปล่อยออก็ไม่ได้ติดตรงไหนเจ้าเ่ะไม่ติดนะมันะจะเป็นยังไงก็ช่างมันเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเจ้าค่ะดูไปนะอย่างเนี้ยเราถึงเดินใกล้มากฝนเข้าไปเจ้าค่ะก็กรารเพียนถ้าในการเพียนขั้นนี้ก่อนเจ้าค่ะโมนาบบนสดีแล้วดีฝึกไปนะวันหนึ่งก็จะแจ้งว่าตัวเราไม่มีนับสรุป<ด>สรุปพวกเราในความเป็นจริงเราภาวนานะรู้กายรู้ใจไป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 บางทีนั่งคุยกันอยู่อย่างนี้หรือนั่งฟังหลวงพ่ออย่างนี้แหละจิตรวมเข้าพปัญนานะคนอื่นดูไม่ทันเลยนะ้ำรวมปุ๊บเดี๋ยวขาดออกไปแล้วถอยออกมาแล้วนะในเวลาเพียง7ขณะจิตเนี้ยถอยออกมาเรียบร้อยแล้วนะก็จะทวนเลยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะจิตมันจะทวนเข้าไปพิจารณาเลยนะเมื่อกี้นี่โลกธาตุไม่มีเหลือเลยว่างหมดนะตัวตนอะไรในโลกนี้ไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่มนะีจะเห็นอย่างนี้แล้วก็รู้เลยว่ากิเลสยังเหลือต้องต่อสู้ต่อไปอีก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 อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิตชตุสพเพปูเรนตูสังกปาจันโดปนรโสยถามณีชโชติราโสยถาสัพิติโยวิวัตชนตูสภะโรโควินสัสตูมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาฒนาสีลิสนิจังุทธาปัจัยิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขขังพระลัง